Sala, tayo <Sessly> damma ku sala, <Sessly> dasa damma aku sala, dasa d a m ช่วงนี้นะได้มนติการได้เจริญกุศลฉะนั้นปริมาณเห่งการที่เราจะขับเคลื่อนทานอรบรมีเนี่ยนะต้องใช้เจตนาเป็นตัวกระตุ้นนะเป็นตัวชักนำสามปยุทธตามที่เกิดพร้อมกันตนเน่ให้ทำจิตของตนให้ทุกตัว ดูด้วยดูผัสสะไม่ทำหน้าที่เจตนาตรวจสอบภาษาเวทนาใช่ไหมสัญญาเอกกตาชีวิตินรีมราสิการวิตกวิจารหนิโมกวิริยาปีติฉันทะศรัทธาสติหิริอัตปาอโลภาโทศาสตรธรมชตตตาเนี่ยกายประสทธิจิตปัสสิทธิ่ ตัวเจตนาจะมาตรวจสอบทุกตัวว่าเออเคลื่อนเคลื่อนทับได้ยั ง, ถ, ง, ถ, งถึงจะถึงจะระดมทานนะเจตนาโยธาทานได้ตรงนี้ต่างหากการตรวจสอบจิตในการที่จะทําให้เป็นปุพพะเจตนาทานมุนจนะเจตนาทานและอัปปราปรเจตนาทานหรืออัปราเจตนาทานโอ้ทนี้มันเคลื่อนพลกันอย่างนี้เวลาเขาเดินกุศลกันรู้ปะเขาเพื่อนเคลื่อนพลกันขนาดใหญ่เลย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 เพราะท่านขับเน้นระดมฉันทิธิบาตจิตติธิบาตวิมังสิทธิบาตแล้วก็เอแล้วก็จิตติธิบาตแล้วก็วิมังสิทธิบาตใช่ไหยคือขับเน้นอิทธิบาตนั่นแหละเป็นตัวว่าเอจะระดับต่ําระดับกลางหรือระดับประณีตเขาขับเน้นตัวนั้นเพราะว่าในส่วนจริงอ่ะทานกุศลนี่นะธานเจตนาโยธาน ต้องออกจากตันหาได้ถึงจะถึงจะถึงเป้าหมายถึงจะประสบความสําเร็จเพราะถ้ายังบวมยังม้วนอยู่หรือว่ายังคอเคลียอยู่กับตันหาเนี่ ย, ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะอาโลพะไม่เด่นอโลพะทานไม่เด่นจนอโลพาทานเนเข้ามานําหน้าแล้วเด่นเด่นได้ชัดเจนเมื่อไหร่นั่นแหละ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 แนนในตามบาลีเนี่ยส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาติดต่อกันเสมอตลอดเวลาแปดสิบกฎอายุขับเนี่ยนะหรือแปดสิบกฎชาติได้อย่างโดยตรงแต่แต่ประการนะเป็นเพียงเป็นช่วยให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ว่าความปรารถนาบุคคลที่บำเพ็ญทานนกะุศลจะสําเร็จได้เพราะสําหรับผู้มีศีลไม่ใช่สําหรับผู้ทุศีล น, นะ ต้องขับเน้นศีลกุศลด้วยอย่างไรเดยวไปดูรายละเอียดตรงเนี้นะว่าในชั้นคำสอนในทานสูตรนะที่พระพรมศาสดาตรัสตอนนั้นภาษารดบุตรก็พาอุบาสกทั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าพทธเจ้าก็ไปบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทานเช่นนั้นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้นะ อไปอภิวาทรรพระเจ้ากระถามท่านภาษาลิบุตรก็พร้อมด้วยอุบาสกชาวเมืองยำปาเข้าไปพ่อพระศาสดาน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลแด่พระโรมศาสดาพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีผลมากนะไม่มีอนิสงฆ์มากพึงมีหรือหนอแล บอกถามเลยว่าทานแบบไหนมีผลเยอะแต่อันิี้สง่น้อยนะที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากพึงมีหรือไม่เจ้าข้าถามอย่างมีผลมากมีอานิสงส์มากด้วยมีมีผลมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากเลยถามเป็นต้นไปตามดับว่าเออมีไหมทานสองเชนนี้เป็นต้นเนี้ย พระบรมศาสดาก็บอกว่าพึงมีหรือพระพุทธเจ้ขาข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ได้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสง์มากพึงมีมีนะไม่ใช่ไม่มีนะและทานเช่นนั้นนั่นแล่ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมาก และก็มีอานิสงส์มากก็พึงมีเนี่ยนยภาษาที่บดบคา่าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอ่ะเป็นเหตุน่ะเป็นเหตุให้ทานกุศลเช่นนั้นแลที่บะบุคคลบางคนในโลกเนี่ยให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากเอออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีสัมพันธ์มากนะ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 ไม่ใช่ทิ้งขยะนะใช่ไหมเอาขยะไปทิ้งไงทิ้งแบบรังเกียดได้ซ้ำไปขยะบางอย่างสปกปรกด้ว่อยๆไปทิ้งเนอใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เพราะบรมศาสดารังเกียดบุตรและภรรยาไหมบุตรเป็นพระบุตรภรรยาเป็นที่รักของท่านไหมล่ะเป็นที่รักแต่แต่แตสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่รักยิ่งกว่า ท่านจึงสละบุตรและภรรยานั้นเราให้ของเนี่ยเราไม่ใช่ไม่รักของนั้นเรารักไม่ใช่ขยะนี่เรารักแต่โพธิใช่ไหมเราต้องการเป็นโพธิสัตว์นะสัตว์ผู้คล้องอยู่ในการตัดสู่ใช่ไหมสัตว์ที่คล้องอยู่ในโพธิเราจะคล้องอยู่ใน สัมมาสัมโพธิญาณหรือปัจเจกโพธิญาณสาวกะโพธิญาณก็เลือกเอาแต่อย่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปค้องแต่อย่าไปค้องอยู่ในวัฏฏะถ้าค่องในวัฏฏะก็แปลว่าสัตว์เฉยๆนะสัตว์ว่าเฉยๆท่านั้นแหละเขาแปลผู้ค่องอยู่ในวัฏฏะค้องในการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองเราจะค่องอยู่แค่เวียนว่ายตายเกิดหรือค้องอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือจุกข้องอยู่ในสีกิน่นรสสัมผัสได้ทํามาลม้มถ้าเราข้องอยู่เราติดอยู่เรายึดอยู่เราก็เป็นได้แค่สัตวะแปลผู้ข้องที่ผ่านมาเนี่ยเรากลายเป็นได้สัตวะคือผู้ข้องเราเอาโพธิ์ต่อหน่อยแล้วต่อหน่อยได้ไหมต่อไปเนี่ยต่อชัดชัดแล้วตั้งอัธยาศัยให้แรง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 ทานเจตนาลักษณคือทานคือการให้การสละนั้นเป็นลักษณะใช่ไหมโลภะสนาและสังกัทานนะเนี่ยเจตนาทานเนี่ยนะเป็นต้นเราโลภท า, านเป็นต้นเนี่ยเขาทาลายโลภะทาลายความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินกิจของทานอกุศลภาวะวิภาวะสัมปติปยุปทานางังหรือ ป, ปยุปทานาก็คือว่ามีความสมบูรณ์แห่งพบชาติ และความสิ้นไปจากพบชาติเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเนะี่ยสร้างเหตุเห็นผลเพราะเข้าใจคําว่าเหตุและผลชัดเจนบัณฑิตเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายเนะี่ยรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักเหตุรู้จักผลฉะนั้นบัณฑิตจึงทําเหตุถูกจึงได้รับผลถูกเขารู้เหตุผลเราก็เป็น สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นอยู่ในฐานาะเป็นอุบาสก อ, อุบาสิกาเนี่ยของพระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เรื่องสิทธิ์มีครูพระศาสดาทักโขํานานเหตุผลนี่ใช่ไหมเราก็ต้องทักโข อ, อย่างพระบรมศาสดาก็เหมือนกับสิทธิ์ข อ, ของนายโคคาดเขายังทักโขในการชํานาญในการชํำระโคเลยแล้วก็ต้องชํานาญในการที่จะชํำระนี้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 บรรยากาศแวดล้อมไม่ค่อยดีบุญมันจะเป็นแบบนี้แหละไม่ได้นั่นกลัวจางผิวไม่สว ย, ยอาัดคิดเองบางเรื่องนี่คือคือคือการที่ว่าเรา เราทำบุญไปแล้วเนี่ยกุศลเจตนาเกิดพุ่นมาปัแล้วก็ต่อมาก็ตามได้บาปนี่เนะก็แล้วกุศลที่มีบาปแวดล้อมบาปประเภทไหนแรงเราก็จะได้เหตุปจนะัจจัยนะั้นแวดล้อมมากโอ้ยมึงทีไปเกิดในสิ่งแวดล้อมมีแต่คนทะเลาะ ก, กันตั้มหมดเลยทั้งทั้งนี้มีโอกาสเป็นมนุษย์เนีเนี่ยที่นำส่งผลในประนดินด้วยการนะตั้งแต่พ่อเลย เป็นคนที่โกรธแม่ อ, อะไรเป็นที่โกรธครอบครัวนี่แหละมีแต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีพราะเราไปสร้างเหตุมาอย่างนี้นะ<ม>อย่างนี้เป็นต้นนะมันถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุผลเนี่ยมันจะชัดนะเหตุผลนี่จะชั ด, อ, ชดอ๋อ ต้องสังเกตให้ดูเนะยว่าบางครั้งต้องระวังได้เนี่ยเพราะปีติในโลภะก็มีปีติในมหากุศลก็มีแยกให้ออกอ๋อตรงนี้ยังไงที่ว่าเคยยกตัวอย่างที่ว่าให้ภรรยาไปทำอาหารถวายช้า แล้วทีแรกเป็นอาหารที่ห ย, ยาบๆไงแล้วก็สัมเนนกับพระใหม่ๆก็เอาโยนทิ้งพอโยนทิ้งเ็ดเสร็จภริยายก็มาบอกกับสามีบอกว่าพ่อสัมมาเนนเน้น้อยทั้งหลายบวชใหม่เอาอาหารของของเราเนะี่ยโยนทิ้งหมดแล้วฝ่ายทางสามีก็บอกพ่อแม่บอกพ่อพ่อก็ฝ่าบอกว่า ก็เลยบอกแม่อย่าเสียใจนะวันนี้ท่านไม่รับทานนกุศลของเราเพราะทานนกุศลของเราไม่ปราณีเดี๋ยวเราจะต้องทาให้ปราณีให้ได้ดีมัไยนักเข้าก็เลยลงทุนเอาลูกสาวไงไปเป็นทาสไงจำได้ไหมล่ะนั่นแหละแล้วก็เป็นนำ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 บางคนให้จริงงมุ่งการสั่งสมให้เนี่ยนะให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานนี้พอาแมมกลัวความลำบากกว่อไะเขาให้ทานก็คือให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่พักแล้วก็ให้แสงสว่างเนี่ยนะ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 เราจักได้ให้ผลของฐานนี้ญาติของเราตายไปแล้วก็จะได้ผลของฐานนี้อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแบบคิดแบบตัณหาเนะเมื่อตายไปแล้วเขาก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจ่าตุมเส้นกมเส้นฤทธเส้นยศม <c oughs> ีก็เลยหมดยศหมดอานาจเนี่ยนะหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ยัง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 พ่อไ่ให้แบบเนี้อ่าวนี่ก็ลองคิดพิจารณาดูนะว่าเราเราเราเราอยู่ในกลุ่มที่เคยให้แบบประเภทนี้ไหมให้เบสเซ็ตก็มีราคะเป็นต้นมีกลุ่มของราคะมีกลุ่มของทิศฐิมีกลุ่มของมานะพวกนี้ทั้งนั้นแหละเป็นบริวารแวดล้อมวิ่งวนวนวนวนวนวนอยู่เนี่ยแหละอยู่กับโลภาแปดวงไปไล่ดูเหอะ โลภะสองมันน่าจสะสี่เธอเป็นอุเบกขา ส, สี่เป็นอสังขาิกษ ส, สี่เป็น ส, สังขาิกษ ส, สี่เป็นทิฏฐิสัมปยุทธสี่เป็นทิฏฐิวิปยุทธไ ด, ด้ประกอบด้วยมาหน้าอีกสี่นี่แหละวนอยู่ตรงเนี้ยแล้วในส่นจริงก็กลับมาเพื่อความเป็นอย่างนี้ลองวนวนว น, วนนะไม่ได้ขึ้นสูงกว่ากว่าจะตูมนะวิ่งวนอย่างเนี้ย เฮ้นี่วนต่ำออยังไงนะเอาละนี่มีโลภะแปดใช่ไหนี่จิตตาเม่จิตมีราคาก็รู้ชัดว่าจิตมีราคานี่เนะี่ยหมถ้าพวกนี้ให้ทานเป็นเหตุต้องรู้ไหมจิตมีราคาว่าเราให้ทานได้มีจิตที่มีราคานี่มันก็จะวนอยู่กับกลุ่มนี้แหละมันหวังเพื่อจะตุมไม่ได้หวังมากไปกว่านั้นเนาะ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 ปฏิทเนี่ยนะเครื่องให้แสงสว่างเครื่องอุปกรณ์แก่สมณพราหมณ์ผู้ดูก่อนสาลิบุตรเธอจักสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานเห็นปานนี้มีหรือไม่นออย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนสาลีบุตรในการให้ทานบุคคลที่ผู้ไม่มีความหวังนะไม่มีจิตผูกพันด้วยตัณหาในผลของทานไม่มุ่งการสั่งสม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 วิตีการทานังให้ทานด้วยความยำเกรงเอออันนี้นี่ให้แบบยำเกรงนี่ยเนี่ยให้แบบประเภทที่ว่ายำเกรงให้ทานแบบในลักษณะที่ไม่ได้ไวหวังผลต่างๆเหล่านี้น้อมให้ทานอย่างเนี้ยนะแต่ไม่ได้น้อมเพื่อเพื่อออกเห็น ไ, ไหมไม่ได้น้อมเพื่อเป็น คือไม่น้อมแบบเป็นจิตตะปริขาลังเนี่ยไม่เป็นอรังการาปริวาทานังเนีปริวาระทานังไม่ได้เป็นให้ทานแบบประดับตกแต่งจิตให้สูงขึ้นน่ะนะไม่ได้ประดับไม่ไมาจะคําว่าอารังการาปริวาระทานังก็คือเป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตเน่ยนะ ทีนี้นะยตรงนี้ก็คือว่าประการต่อมานะดูก่อนสารีบุตรดุกบนบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีนะแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยทํำมาทำตามวงตระกูลเนาะโอ้ยให้มาจนเราชั้นเหรนแล้วเนี่ยไม่ให้เราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณี เออเหมือนการไหว้เจ้าเนาะไหว้ไหวไหว้ไหว้มาเนี่โอ้ไม่ได้แล้วต้องทำเดี๋ยวเสียประเภทนี้นะแต่ทาแบบไม่รู้เหตุผลนะทาําแบบไม่รู้เหตุผลให้ทานแบบประเภทนี้ยให้แบบตามประเณีเนี้ก็สักเลยว่าให้ให้ให้ไปนี่นะอันนี้เข้าถึงความเป็นสหายของ mm. ท่านยา ม, มานะให้ข้าวน้ําเป็นตอรอะไรเนี่ยเขา เขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเออให้ตามประเพณีเนี่ยเราเคยมาหมดแล้วเนี่ยที่พวกเนี้ยเนี่ยนี่นเล่าเรื่องอดีตพวกเรานี่เนี่ยแล้วอนาคตถ้าใครตั้งจิตไม่ถูกก็จะไปทําอย่างนี้อีกอะต่อไปแต่เนี้ยดูก่อนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้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 เขาไม่ได้มีหม้อหายอะไต่างๆ่ากว่างนั้นนะเออแล้วก็ไปให้เขาเนี่ยเขาคิดอย่างเงี้ยโอ้เราหูงหากินเราหากินได้เรามีปัญญาสแสวงหาทรัพย์แต่ท่านเหล่านี้ไม่มีปัญญาสแสวงหาทรัพย์อย่างนั้นเลยว่าองนั้นนะเราก็เอาไปให้เราจะไม่ให้แก่สมณะหรือพราหม์ผู้แม่งหูงหากินไม่ควรแล้วว่าอย่างนั้นดำรีและคิดอย่างนี้ก็เลยให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นหล่าเนี้ยอันนี้เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิต น้อมว่าเออมีใจมีใจการุณาเขานะ่นะบอเออเนี่ยเขาไม่เออเราไม่ทำเลยก็ไกลเนี่ยรู้สึกอายเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเรามีอยู่มีกินแต่ไม่ช่วยคนประเภทนี้บ้างเลยเนี่ยเขาไม่มีอยู่ไม่มีกินไปต้นจัด ก, การเลไได้ดูสิตเลยพราอสิ้นกรรมะสิ้นเจตนากรรม หมดกําลังของเจตนากรรมสิ้นฤทธิ์และหมดยศและอายุวันหน้าสุขพะพละปฏิพานหมดเนี่ยกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกก็คือลงนั่นแหละในอายภูมสีมนุษย์หนึ่งเนี่ยอยู่อย่างนี้นะดูก่อนสารีบทบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานเนี่ยเด้๋ยคิดว่า เราหุงหากินเองได้นะสำนห้หรือพราหม์เหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่สำน้าพราหมูหุงหากินเองไม่ได้ก็ไม่ควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจ ก, กทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนแต่ก่อนมีพวกอัธกะฤาษีวามะฤาษีเอยวามะเทวะฤาษีศาสวมิตรฤาษีเป็นต้นเนี่ยคือมีฤาษีเยอะในยุคเก่อนๆ น, นี่นะ เขาให้ทานก็คือเขาบูชาหมหายันกันนะนะมหายันยันโยในที่นั้นไปชื่องทานก็ได้นะเขาทํากิจกรรมแจกทานเขาทํากิจกรรมแจกทานอญายันในที่คิกายเป็นอีกอย่างเนะี้ตรงนี้ก็คือว่า คือในข้อในข้อที่สามที่บอกไปเกิดในชั้นดุสิตนั้นมาจากคำว่าฮีโรตัป่าทานังให้ทานเพราะละอายเพราะเพราะฮีริแล้วอพระแล้วอดป่าใช่ไหมละอายแล้วก็กลัวไงกลัวกลัวเขาหนินทเท้าบังใช่ไหมหรือว่าละอายใจว่าเออเรามีไม่ให้ก็ดูกันอะไรอยู่เนี่ยนะบุคคลเหล่านี้หงกินเวงไม่ได้นี่คือข้อนั้น ส่วนอีกข้อหนึ่งมาจกคำว่านิรวะเสสะทานาังได้แก่ให้โดยไม่ให้เหลือเศษให้หมดเลยเนี่ยอย่างนี้นะให้เหมือนแป็ตามแบบอย่างของบูชามหายันนั่นแหละให้แบบหมดเลยว่างั้นจะก็ให้ข้าวน้ำไปต้นย่อมถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิ ม, มานรดีกรมวันนีใ้ให้ให้ทานประเภทเนี้ย นั่นไปอยู่ในกลุ่มพวกนิมมารดีนั่นแหละต่อมาสิ้นกรรมและเจตนากรรมทั้งหลายประเภทนี้หมดกำลังลงและสิ้นฤทธิ์หมดสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่และยังความเป็นผู้กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเออนีกลับมาอีกน ะ, ะเออเวทนีกลับมาอีกดูก่อนสารีบทบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักจาแนกแจ ก, กทาน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 ทักขีในะยะทานังนะให้แก่สมณนาพรามให้แก่ทักขีในยบุคคลให้แก่ทักขีในยะบุคคลแต่ให้โดยคิดว่าเราได้ให้ทานอย่างนี้แล้วจิตจะเรื่อมสายเกิดความปิป้มใจและสมนัต เขาก็ให้ข้าวหรือให้น้ำย่องถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปานิมิสวาสวัสดีสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาความเป็นอยู่อย่างนี้อีกดูก่อนสาลีบุตรนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยมิคิดว่าทัดจมจิตให้เลื่อมสายปลื้มใจเป็นต้นเหล่านี้ยแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต ให้ทานเอเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเนาะเขาก็เลยให้ยังไงเขาให้ทานคือข้าวผ้าน้ํายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้าที่นอนที่พักประทีปและเครื่องอุปกรณ์แก่สําน้าพรมณ์ดูก่อนสารีบุตรเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ถึงให้ทานเห็นปันนี้หรือนอแลนี่เนะียอย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนสารีบุตรนีน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 ให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้สัมณะธทาเหล่านั้นหุงหากินเองไม่ได้ไม่ให้ทานแก่ผู้ที่หวงขาดกินไม่ได้ไม่สมควรและก็ไม่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจาักเป็นผู้จำแนกแจ ก, กทานเหมือนอย่างฤาษีในครั้งการก่อนเป็นต้นแล้วทำการบูชายันฉะนั้นและไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานและจิตจะเลื่อมสายเกิดสมณะปลื้มใจ แต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทานอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปาราิมิสสวัสวดีเนี่ยนะเออไม่ใช่เข้าเป็นสหายอันนี้เป็นเครืงเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมนะชั้นพรหมอเนี้ยสิ้นกรรมสิ้นฤทธเส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมา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 ประเภทหนึ่งมีผลมากด้วยและก็มีอ น, นิสงส์มากด้วยแล้ว <c oughs> นี้สรุปประเด็นตรงนี้นะมีเจ็ดอย่างตรงเนี้ยแต่มาขยายค้ามก้ามข้ามไปในนะอันแรกนั้นมาจากคำว่าตันหุตริยธ า, านางการให้อันยิ่งด้วยตันหาคือปฏิพัทจิตโต ผู้มีจิตผูกพันในผลผูกพันหรือว่าผูกพันด้วยตัณหาคําว่าผูกพันนี่เป็นชื่อของตัณหาเช่นยมบรวัตบอกกับภรรยาว่าเอเราจะผูกพันกันทุกชาตินนี่ตัญหาเพราะตัณหาเป็นตัวผูกพันใช่ไหมผูกพัน ทีนี้พระบรมศาสดานี่ผูกสัตว์ไว้ไหมผูกผูกผูกผูกบารมีสิบไว้ในตนไหมตอนตอนบำเพ็ญบารมีผูกบารมีสิบไว้ในตนและผูกสัตว์ไว้ในตนหรือป่าแต่ไม่ได้ผูกได้ด้วยตันหาพระองค์ผูกได้อะไรอ่ะใช่เอากรุณาเป็นตัวผูกนะกรุณาประกอบได้ในจิตเท่าไหร่เท่าไหร่ ดูกรุณาทีเนี่ยกรุณาสองดวงเนีย่ยการุณาดวงนั่นดวงเนีย่ยประกอบใกล้ไหนไหนมหากุศนได้ไหมมหากุศน8แปดแล้วก็อะไรเอ้ยโลกุตระแปดหรือเ<ม>อาอย่างนี้เอาที่ว่ามีไหมมีไหมลูมมโลูบเท่าไหร่สิบสองรูปปาสิบสอง แล้วก็อะไรอีกหมากริยามีมัมแปดนะสิบหกบวกยบอกนี่ไม่ใช่สองันเนี้ยเท่ไรเนี่ยบวกสิบสองเป็นเท่าไหร่เออนั่นแหละยี่สิบแปดดวงถูกต้องนั่นแหละกรุณานั่นแหละ ก, ละกรุณ า, า, านี่แหละ แต่ต้องเป็นการุณาในมหากุชนตอนที่พระโพธิสัตว์บำเป็นบรมีนะไม่ใช่การุณาชานตอนที่ท่านบำเป็นบรมีที่เรียกว่าเป็นผู้มีการุณาเน่ะผูกสัตว์ไว้ในตนนะผูกสัตว์ไว้ในตนเพราะพระองค์การุณาเราการุณาเหมือนกับบีดาการุณาบุตรพะผูกเราไว้ในฐานะเป็นบุตรของท่านเราจึงเป็นลูกของพระผู้มีพระเจ้า ฉะนั้นการที่เป็นลูกของพระพุทธเจ้านั้นเราจึงมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าสองสารนะฐานะคืออมิสสมรดกกะธรรมะมรดกฉะนั้นเวลาเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราก็เอามรดกของพระพุทธเจ้าไปไปถวายท่านให้ดูว่านี่แหละข้าพเจ้านับถือพระศาสดามาเนี่ยใช่ไหมกี่ปีก็ว่าไปข้าพเจ้ายุตเท่านี้แล้วเป็นพุทธมาตั้งแต่เกิดว่างั้นเป็น ใช่ไหมวันนี้ข้าพเจ้าเอามารดกที่ข้าพเจ้าเป็นลูกแต่ที่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อใช่ไหมเนี่ยได้แค่เนี้ยถ้าถาภาษาลิบุตรก็จะเอามารดกของออกมามาโอหยบางคนเข้าไปหาภาษาริบุตรก็ข่าแต่ท่านภาษาลิบุตรขอชมมรดกของท่านที่รับมาจากพระศาสดาโอ้ท่านเจ้า แจ่จให้เต็มดูไม่หวดไม่ไหวตื่นตาตื่นใจเราตื่นเต้นจะลืมจะลืมสร้างบระดกของเราเลยนะจะลืมเราไปข อ, อยนันกลับไปไปขอมาระดกพ่อกลับไปไปขอมาระดกพ่อถ้าจะไปขอต้องเป็นคนดีไปขอไหมนั้น ถ, ถ้าเราเป็นคนกายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดใจไม่สะอาดไปขอพ่ อ, พ, อพ่อเขาไม่ให้บอกไม่มี เดี๋ยวจะตัดออกจากกองมรดกน่ากลัวนะใช่ไหมหน่ากลัวไหมถ้าพระาศสาสตราตัดเราออกจากกองมรดกของท่านใช่ไหมอย่ากให้พระาศาสดราตัดเราออกจากกองมรดกใช่ไหมเพราะพระาศาสดราบอกไว้ด้วยนะบอกว่าในธรรมทายาทสูตรไปอ่านสรุปออกมาก็บอกว่าบอกว่าเนี่ยถ้าพูดอย่างเราเราก็บอกว่าลูกมรดกของพ่อมีสองอย่าง เครามิตรมรดกกับธรรมะมรดกและเขาเสริมมาด้วยว่าธรรมะมรดกของพ่อมีสองอย่างนะโลกิยะมรดกกับโลกุตระมรดกเออสูงสุดจริงๆเนี่ยเธอต้องได้โลกุตระมรดกบอกว่าพ่อบำเพ็ญมาสร้างฐานะมาเนี่ยเพื่อให้เธอเนี่ยได้โลกุตระมรดกไม่ใช่ธรรมะมรดกระดับโลกิยะอย่างเดียวนะ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 ถ้ากิเลสเป็นฉาบติดขึ้นมาก็จะจมอยู่กับอมิสสมรดกซึ่งเป็นมรดกที่ไม่ดีมรดกที่ไม่สะอาดเนี่ยพูดกันตร ง, ตงๆคือพูดแบบนี้พูดภาษาเราพูดอย่างนี้เลยถ้าพรธเจ้านะถ้าถอดความออกมาต้องพูดแบบนี้โยในธรรมธายาสูตรนยะถอดความออกมาจะต้องพูดแบบนี้แหละไม่ผิดไปจากนี้ แต่ว่าเราใช้ภาษาง่ายของเราแต่ถ้าจะเดินภาษาของพระสูตรก็ต้องเดินให้เพลอเนะ้อันนี้ภาษาออกมาเนี่ยต้องสรุปสรุปประเด็นออกมาอย่างเงี้ยโดยตรงสรุปเนื้อเนื้อออกมาออกเป็นอย่างเงี้ยก็คือปรารถนาให้เราได้โลกุธระมมรดกนั่นคือเจตนาของพ่อคือของพระพุทธเจ้าทีนี้เอาถ้าเธอได้ธรรมมรดกหรือมรดกแบบไหนก็เอามาบูชาพ่อบ่อยๆ ไปสถานที่ประสูติสรู้ปรินิพานหรือไปที่พ่อประทับอยูอ่เธอมาเฝ้าพ่อเนี่ยต้องมามามาม า, มาเอาเอามาถวายพ่อให้ดูว่ายังมีมรดกเหลือไหมมีไหมละ่ะเข้าไปะนะตะหนักไหนไห น, ไหนว่าเป็นลูกของพ่อปฏิบัติตามคำสอนของพ่อทำไมไม่ไ ม, ไม่ไม่มีมรดกของพ่อเลย นี่โดยหลักอย่างนี้เลยโยมโดยข้อแท้จริงอย่างเนี้ยคือใจความออกมาแบบนี้เลยในยธรรมทานยาสูตรต้องแกะออกมาโยมต้องเจาะ อ, ออกมาแกะแกะเนื้อในของสูตรออกมาเอามาบริโภคได้ให้ได้พราโอ้โดยใจความเนี่ยเป้าหมายคือพระ อ, องค์โดยตรงกับเราเราพุทธบริษัทแบบนี้เลยอย่างนี้เนี่ย นี่เราก็ได้ตนหนักใช่ไหมว่าโ อ, โอ้เป็นอย่างนี้แล้วถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมอย่างยมกิ่งการเนี่ยตั้งชมลมมาก็เป้าหมายตรงนี้ถ้ามาเดาไม่ผิดใช่ั้มเป้าหมายก็คือให้ต้องให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจมรดกของพ่ อ, อมรดกของพ่อนั่นเองต้องเป็นหัวใจของชมลมเผยแผ่ทมวันพุธเดือสามไปใช่มหม ว่าเนี่เป้าหมายเป้าหมายก็คือต้องการให้พุทธบริษัทเนี่ยได้ได้มรดกของพ่อแต่ไม่ใช่จมอยู่ในอนมิตรสมรดกของพ่อนะเพราะพ่อบอกว่าเป็นมรดกที่ไม่สะอาดตัวไงเป็นม ร, มรดกที่ไม่ดีเจือด้วยกลิ่นคราวของกิเลสตัวไงแต่ธรรมะมรดกมีสองอย่างนะเป็นโลกิยะมรดกกับโลกุตระมรดกเนี่ยเขาแยกให้ออก ก็แยกศีล ส, สมาธิปัญญานั่นแหละแยกวิสุทธิเจตโลกียะแล้วก็วิสุทธิเจตที่เป็นโลกุตร่านั่นแหละไปะแยกถึงนั้นเลยชัดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ า, ถ, าถ้าจับประเด็นอย่างนี้ได้แล้วโอ้เราจะบูชาถูกแคฉดีไหมแบบเนี้ยอย่างเงี้ยประเด็นก็คือถอดความออกมาก็เป็นแบบนี้ถ้าหากว่ดึงดึงถอดความออกมาไม่ได้นะคําสอน เราก็เรากินไม่ได้ไงเราเราก็บรพฤชิไม่ได้เป้าหมายเราอยู่ตรงไหนอ่ะเป้าหมายคือต้ อ, ตองเดินได้ต้องเข้าใจได้ต้องเอามาใช้ได้ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เอาถ้าเป็นนั่งแกะอ่านแต่ละตัวแต่ละตัวนี่เข้าใจยากนะยากนะกนะเวลาเราก็เหลือน้อยทําไงใช่ไหม เวลาไม่ไม่ใช่น้อยคืออายุเรามันน้อยไอ้เขาว่าเวลาน้อยเวลาก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่อายุของเราที่อยู่ในโลกใบนี้มันน้อยนิดน้อยนิดมากใชไมอายุของเราที่อยู่ในโลกใบนี้มันน้อยเขาเลยเรียกเวลาเหลือน้อยไอ้เวลามันก็ไอ้เท่าเดิมมันยังไมเวลาคือเวลา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 การศึกษาดีไม่ดีแต่ถ้าเจาะเข้าถึงคําสอนไม่ได้มันจะวิ่งวนระวังมันจะวิ่งวนนะเดี๋ยวถ้วิ่งวนแล้วยุ่งไหมเนี่ยยุ่งแหละชีวิตวุ่นเลยตัวเนี้ยแล้วก็จับทิศทางไม่ถูกเราจะเดินยังไงในชีวิตเราเนี่ยจะเดินยังไงดี